ทีนี้คถาต่อไปว่าพระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐสุดทรงสรรเสริญแล้วซึ่งสมาธิใดว่าเป็นธรรมะอันปะสะอาดบัณดิตทั้งหลายกล่าวซึ่งสมาธิใดว่าให้ผลในลำดับสมาธิอื่นเสมอด้วยสมาธินั้นย่อมไม่มีธรรมรัตนะแม้นี้เป็นรัตนะอันประนีดด้วยสัจจวาจานี้ขอความสวัสดีจงมีแก่สัตว์เหล่านี้ อันนี้ก็ยกย่องถึงอริยมรรคสมาธิเพราะเป็นสมาธิที่ให้ผลไม่มีในระหว่างขั้นเนี่ยนะบุคคล8จำพวกสีคู่อันสัตว์บุรุษทั้งหลายสรรเสริญแล้วบุคคลเหล่านั้นควรแก่ทักศินาทานเป็นสาวกของพระตถาคตทานที่บุคคลถวายแล้วในท่านเหล่านั้นย่อมมีผลมากสังครรตนะแม้นี้เป็นรตนะอันประนีต ด้วยสัจจวาจานี้ขอความสวัสดีจงมีแก่เหล่าสัตว์นี้ น, นี่ก็เป็นอธิบายสังขรัตนะเนี่ยนะประสงค์คือคู่แห่งบุรุษสีคู่นับเรียงตัวบุรุษได้แปบุรุษนี่นะซึ่งเป็นนาบุญของโลกจริงๆที่เป็นสาวกของพระผู้มีพระภาคพระอริยะบุคคลเหล่าใดาในศาสนาของพระโคดมประกอบดีแล้วนี่นะคือด้วยกายประโยคะเนี่นะ และวจีประโยชนาอันบริสุทธิ์ยกย่องถึงสีลขันของท่านมีใจมั่นคงคือมีสมาธิขันเป็นผู้ไม่มีความห่วงใยในกายและชีวิตคือเป็นผู้พยายามออกจากกิเลสทั้งปวงเนี่ยนะเป็นผู้มีปัญญาเป็นทุระกระทำด้วยความภาคเพียรพยายามพระอริยบุคคลเหล่านั้นบรรลุอรหัตผลที่ควรบรรลุอย่างลงสู่อมตะนิพพาน ซึ่งได้ความดับกิเลสโดยเปล่าสเสวยผลอยู่สังฆรัตนะแม่นี้เป็นรัตนะอันประณีดด้วยสัจจวาจานี้ขอความสวัสดีจงมีแก่สัตว์เหล่านี้สัตบุรุษใดพิจารณาเห็นอริยสัตว์ทั้งหลายเราเรียกสัตบุษรนั้นว่าเป็นผู้มีอุปมาเหมือนเสาเขื่อนที่ฝังลงดินไม่หวั่นไหวเพราะลมทั้งสี่ทิศฉันนั้น สังครัตนะนี้เป็นรัตนอันประนีตด้วยสัจจะวาจานี้ขอความสวัสดีจงมีแกสัตว์เหล่านี้พระอริยบุคคลเหล่าใดกระทำให้แจ้งซึ่งอริยาศาสตร์ทั้งหลายอันพระาศาสดาทรงสแสดงดีแล้วด้วยปัญญาอันลึกซึง้งพระอริยบุคคลเหล่านั้นยังเป็นผู้ประมาทอย่างแรงกล้าอยู่ก็จริงถึงกระนั้นท่านย่อมไม่ถือเอาพบที่แ สังคราตนาแม้นี้เป็นรัตนาอันประนีชด้วยสัจจวาจานี้ขอความสวัสดีจงมีแก่สัตว์เหล่านี้สกายยทิฏฐิและวิจิกิจฉาหรือแม้ศีลพตตปรามาสอันใดอันหนึ่งมีอยู่ธรรมะเหล่านั้นอันพระอริยบุคคล น, นั้นละได้แล้วพร้อมด้วยความถึงพร้อมแห่งการเห็นพระนิพพานทีเดียว อันหนึ่งพระ arya รบุคคลเป็นผู้พ้นแล้วจากอบายทั้งสี่ทั้งไม่ควรเพื่อจะทําอภิษฐานทั้งหคืออนันตริยกรรมหและการเข้ารีดเดยรถีเนี่ยนะสังขรารตนะแม้นี้เป็นรัตนาอันประณีต ด, ด้วยสัจจวาจานี้ขอความสวัสดีจงมีแกสัตว์เหล่านี้พระ arya รบุคคลนั้นยังทําบาปกรรมด้วยกายด้วยวาจาหรือด้วยใจยก็จริง ถึงกันนั้นท่านก็ไม่ควรเพื่อจะปกปิดบา ป, ปรกรรมอันนั้นความที่บุคคลผู้มีธรรมะเครื่องถึงนิพพานอันตนเห็นแล้วเป็นผู้ไม่ควรเพื่อปกปิดบา ป, ปรกรรมนั้นพระผู้มีพระภาคตรัสแล้วสังฆรัตนแม้นี้เป็นรัตนอันประนีดด้วยสัจวาจานี้ขอความสวัสดีจงมีแกสัตว์เหล่านี้น พุ่มไม้ในป่ามียอดอันมานแล้วในเดือนต้นในฤดิมหันตฤดูเนี่ยนะฉันใดพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ทรงแสดงธรรมะอันประเสริฐยิ่งเป็นเครื่องให้ถึงนิพพานเพื่อประโยชน์เกื้อกูลมีอุปมาฉันนั้นพุทธรัตนแม่นี้เป็นรัตนอันประนีดด้วยสัจจวาจานี้ขอความสวัสดีจงมีแกสัตว์เหล่านี้ พระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐทรงทราบ ธ, ธรรมะอันประเสริฐทรงประทานธรรมะอันประเสริฐทรงนำมาซึ่งธรรมะอันประเสริฐไม่มีผู้ยิ่งไปกว่าได้ทรงแสดงธรรมะอันประเสริฐพุทธรัตนแมนี้เป็นรัตนอันประนีดด้วยสัจวาจานี้ขอความสวัสดีจงมีแก่สัตว์เหล่านี้พระอริยบุคคลเหล่าใดผู้มีจิตอันหนายแล้วในพบต่อไป มีกรรมเก่าสิ้นแล้วไม่มีกรรมใหม่เครื่องสมภพพระอริยบุคคลเหล่านั้นมีพืชอันสิ้นแล้วมีความพอใจไม่งอกงามแล้วเป็นนักปราชยย่อมเห็นนิพพานเห็นย่อมนิพพานเหมือนประทีปอันดับไปฉนั้นสังขารตนะแม่นี้เป็นรัตนะอันประณีดด้วยสัจวาจานี้ขอความสวัสดีจงมีแก่สัตว์เหล่านี้เห็นไะ เมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสจบแล้วเท้าสกเทวราชได้ตรัสต่อไปว่าพูดเหล่าใดอยู่ในภาคพื้นดินหรือเหล่าใดอยู่ในอากาศก็ดีมาประชุมกันแล้วในที่นี้เราทั้งหลายจงนมัสการพระพุทธเจ้าผู้ไปแล้วอย่างนั้นผู้อันเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายบูชาแล้วขอความสวัสดีจงมีแกสัตว์เหล่านี้ ยาณีทา่าโพตานิสมาคตานิภพมิมานิวายานิวาอันตลิเคเนนะตะถาคตังเทวมนุษยปูชิตังพุทธังนมัสสามะสุวัติโหตุนี่นะพูดเหล่าใดอยู่ในภาค พ, พื้นดินหรือเหล่าใดอยู่ในอากาศก็ดีมาประชุมกันแล้วในที่นี้เราทั้งหลายจงนมัสการพระธรรมอันไปแล้วอย่างนั้นอันเทวดาและมนุษย์บูชาแล้วขอความสวัสดีจงมีแก่สัตว์เหล่านี้ พูดเหล่าใดอยู่ในภาคพื้นดินหรือเหล่าใดอยู่ในอากาศก็ดีมาประชุมกันแล้วหนที่นี้เราทั้งหลายจงนมัส ก, การพระสงฆ์ผู้ไปแล้วอย่างนั้นผู้อันเทวดาและมนุษย์บูชาแล้วขอความสวัสดีจงมีแก่สัตว์เหล่านี้นี่นะทั้งหมดที่กล่าวไปนี้เป็นข้อความในรัตนาสูตรที่พระผู้มีพระภาคตรัสที่เมืองไสาลีเนี่ยนะ ท้าวสาก่าเทวราชครั้นตรัสสามคาถานี้อย่างนี้แล้วก็ทรงทํำประทักษิณพระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จกลับสู่เทวบุรีพร้อมด้วยเทวบริสัทธ์ส่วนพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงรัตนาสูตรนั้นนั่นแลแม้ในวันที่สองสัตว์แปดหมื่นสี่พันก็ได้ตรัสรู้ธรรมนี่นะทรงแสดงธรรมะอย่างนี้จนถึงวันที่เจ็การตรัสรู้ธรรมก็ได้มีอย่างนั้นนั่นแหละทุกๆวันพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ กรุงเวสาลีเนี่ยนะกึ่งเดือนแล้วจึงทรงแจ้งแก่พวกเจ้าลิชวีว่าจะกลับตอนนั้นพวกเจ้าลิชวีก็นำเสด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าสู่ฝั่งแม่น้ำคงคาด้วยสาการะเป็นทวีคูณอีกสามวันเหล่าพญานาคที่บังเกิดอยู่ในแม่น้ำคงคาคิดกันว่าพวกมนุษย์ทำสาการะแก่พระตถาคตกันพวกเราจาไม่ทำกันบ้างหรือนอ ก็เลยจึงสร้างเรือหลายลำล้วนด้วยทองคำและก็เงินแก้วมณีลาดบรลลังก์ทด้วยทองเงินและแก้วมณีทำน้ำให้ปกคลุมด้วยบัวห้าสีทูลวอนขอพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าขอพระองค์โปรดทรงทำความอนุเคราะห์พวกข้าพระองค์ด้วยเถิดพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ทรงรับเสด็จขึ้นสู่เรือแก้วส่วนพิสูจน0ห้าร้อยรูปก็ขึ้นสู่เรือของตนของตน พวกพญานาคนำเสเด็จ พ, พ, พ, นะพระผู้มีพระภาคเจ้าพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์เข้าไปยังนาคพิภพข่าวว่าณที่นั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงธรรมะแก่นาคบริสัทธ์ตลอดคืนยังรุ่งในวันที่สองพวกพญานาคพาการถวายมหาทานด้วยของเคี้ยวและของฉันอันเป็นทิพย์พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงอนุโมทนาแล้วก็เสด็จออกจากนาคพิภพ พวกภูมิเทวดาก็พากันคิดว่าพวกมนุษย์และนาคพากันทำสาการะแก่พระตถาคตพวกเราจากไม่ทำกันบ้างหรือจึงช่วยการยกฉัดใหญ่น้อยเหนือพุ่มไม้งามในป่าต้นไม้และภูเขาโดยอุบายนั้นนั่นแลสสการะวิเศษขนาดใหญ่ก็บังเกิดตราบถึงพบของอกคนิตภพ พ, พรหมแม้พระเจ้าพิมพิสารก็ได้ทรงทาเป็นทวีคูณกว่าสาการะ ที่พวกเจ้าลิทธิวีทรงธรรมครั้งที่พระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จมาทรงนำเสด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าห้าวันจึงมาถึงกรงราชครกโดยในยะที่กล่าวมาแล้วในก่อนพระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จถึงกรงราชครึกแล้วภายหลังอาหารพวกพิสูจนที่นั่งประชุมกันณนะสาราลงกลมพูดกันในระหว่างกันอย่างนี้ว่าโอ้อนุภาพของพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้า ที่ภูมิภาคแปดยศทั้งฝั่งในทั้งฝั่งนอกแห่งแม่น้ำคงคาถูกเจาะจงปรับที่ลุ่มที่ดอนให้เรียบแล้วก็โรยทรายปกคลุมด้วยดอกไม้ทั้งหลายแม่น้ำคงคาประมาณโยศหนึ่งก็ถูกปกคลุมด้วยบัวสีต่างๆชัดใหญ่น้อยถูกยกขึ้นตราบถึงพบของอัคนิธพรมพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงทราบเรื่องนั้นแล้วก็ ออกจากพระคันโตคุติเสด็จไปยังศาลาโรงกลมด้วยปาฏิหาริย์ที่เหมาะแก่ขณะนั้นประทับนั่งเหนือพุทธอาสนะอันประเสริฐที่เขาจัดไว้ณนศะาลาโรงกลมครั้นประทับนั่งแล้วพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสเรียกพิสูจทั้งหลายว่าดูก่อนพิสูจนทั้งหลายเมื่อกี้พวกเธอนั่งประชุมพูดกันเรื่องอะไรพิสูจนทั้งหลายก็กราบทูลเรื่องนั้นทั้งหมดพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัส ด, ดังนี้ว่า ดูความพิสูจทั้งหลายบูชาวิเศษนี้มิได้บังเกิดเพราะพุทธานุภาพของเราทั้งมิใช่เพราะอนุภาพของนาคเทวดาและพรหมที่แท้บังเกิดเพราะอนุภาพของการบริจาคเล็กๆน้อยๆแต่ก่อนต่างหากบางันโอ้ที่เขาสักการะนับถือบูชาขนาดนี้นะไม่ใช่เป็นผลของความเป็นพระพุทธเจ้านะแต่เป็นผลของกรรมเล็กน้อยบางัน พวกพิสูุก็เลยกลับทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพวกข้าพระองค์ไม่รู้การบริจาคเล็กๆน้อยๆนั้นสาทุหว่งงางันดีแล้วขอพระผู้มีพระภาคเจ้าโปรดตรัสบอกข้าพระองค์อย่างที่พวกข้าพระองค์จะรู้การบริจาคเล็กๆน้อยๆนั้นด้วยเถิดแ่บนั้นไปทํากรรมอะไรมานะงงาะแบบนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ตรัสว่าดูกวามพิสูจน์ทางหลายเรื่องเคยมีมาแล้วในกรุงตักศิลามีพราหมณ์ผู้หนึ่งชื่อว่าสังข์ เขามีบุตรชื่อว่าสุสีมะมานพมานพนั้นอายุสิบหกปีโดยวัยวันหนึ่งก็เข้าไปหาบิดากราบแล้วยืนอยู่หน้าที่สมควรส่วนหนึ่งบิดาถามเขาว่าอะไรพ่อสุสีมะเขาตอบว่าลูกอยากจะไปกรุงพาราณสีเรียนศิละปะจากพ่อว่างั้นพราม์ก็กล่าวว่าพ่อสุสีมะถ้าอย่างนั้นพ่อมีสหายเป็นพราหมณ์ชื่อนูนพ่อจงเข้าไปหาเขา เล่าเรียนเถิดแล้วก็มอบทรัพย์ให้พันกหาปณะนะสุชิมะมานพบนั้นรับทรัพย์แล้วก็กราบมารดาบิดาเดินทางไปกรุงพาราณสีโดยลำดับเข้าไปหาอาจารย์โดยวิธีประกอบด้วยความละเมียดละไมกราบแล้วรายงานตัวอาจารย์รู้ว่าเป็นลูกของสหายจึงรับมานพบไว้ได้ทําการต้อนรับอย่างดีทุกอย่างมานพบนั้น คลายความเมื่อยล้าในการเดินทางไกลแล้วก็วางกะหาปณะ น, นั้นแทบเท้าอาจารย์ขอโอกาสเรียนศิล ป, ปะอาจารย์ก็เปิดโอกาสให้เล่าเรียนเขาเรียนได้เร็วและเรียนได้มาก ท, ทั้งทรงจรําศิลปะที่รับไว้ที่รับไว้ไม่เสื่อมสูญเหมือนน้ามันที่ใสลงในภาชนะทองเขาเรียนศิล ป, ปะที่ควรจะเรียนถึง12ปีให้เสร็จสับได้โดยสองสเดือนเท่านั้นมิฉะนั้นว่าฟังรวดเดียวจําได้หมดเลยนะ เขาทำการสาธยายเห็นแต่เบื ga, ้องต้นและท่ามกลางเท่านั้นไม่เห็นเบื้องปลายเขาจึงเข้าไปหาอาจารย์ถามว่าท่านอาจารย์ข้าพเจ้าเห็นแต่เบื้องต้นและเบื้องกลางของศิลปะนี้เท่านั้นไม่เห็นเบื้องปลายเลยอาจารย์ก็กล่าวว่าเราก็เห็นอย่างนั้นเหมือนกันนั่นแหละพ่อเอ้ยเขาก็เลยถามว่าท่านอาจารย์เมื่อเป็นดังนั้นใครเล่ารู้เบื้องปลายของศิลปะนี้อาจารย์ก็กล่าวว่าพ่อเอ้ย ที่ป่าอิศิ ป, ป ต, ตนะมีฤาษีหลายองค์ฤาษีเหล่านั้นคงรู้เขาบอกว่าอาจารย์ข้าพเจ้าจะไปถามฤาษีเหล่านั้นเองอาจารย์ก็บอกว่าไปถามตามสบายเถิดพ่อเอ้ยเขาก็ยัง เ, เขาก็ไปยังป่าอิสิ ป, ปัตนะเข้าไปหาพระปจเจ ก, กับผูทใเจ้าทั้งหลายถามว่าท่านผู้เจริญท่านรู้เบื้องปลายศิละปะบ้างไหมพระปจเจ ก, กับผู้เทใเจ้าก็กล่าวว่าเออเรารู้สิท่าน เขาก็อ so ้อนวอนว่าโปรดให้ข so ้าพเจ้าศึกษาเบื้องปลายแห่งศิลปะนั้นเถิดพระปเจกับพรุทธเจ้ากล่าวว่าถ้าอย่างนั้นก็บวชเสียซี่ท่านผู้ไม่ใช่นักบวชศึกษาไม่ได้ดอกว่างั้นเขาก็รับคําว่าดีแล้วเจ้าค่ะโปรดให้ข้าพเจ้าบวชเถิดท่านจงทําแต่ที่ท่านปรารถนาแล้วจะให้ข้าพเจ้าศึกษาศิลปะเบื้องปลายก่อนแล้วกันคือจะให้ทําอะไรทําหมดแหละขอให้ได้เรียนในตอนจบก็ใช้ได้แล้วว่างั้น พระปจเจคผู้เทธเจ้าเหล่านั้นให้เขาบวชแล้วก็ไม่สามารถประกอบเขาไว้ในกรรมฐานให้ศึกษาได้แต่อภิสมาจาร์คือระเบียบมัญญาิเนี่ยนะโดยในเป็นต้นว่าท่านพึงนุ่งอย่างนี้พึงห่มอย่างนี้เขาศึกษาอยู่ในข้อนั้นแต่เพราะเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยอุปนิสยัยไม่นานนักก็ตรัสรูร้ปเจกโพธิญาณเนี่ยนะบรรลุเป็นพระพุทธเจ้าอีกประเภทหนึ่งที่ตรัสรู้ได้ด้วยตัวเองเนี่ยนะ ท่านสุสิมะถึงลาบยศอันเลิศพั่งพร้อมด้วยบริวารก็ปรากฏไปทั่วกรุงพาราณสีว่าเกิดเป็นพระประเจกพุทธเจ้าแต่ไม่นานนะักท่านก็ปรินิพานเพราะทำกรรมที่เป็นเหตุให้อายุสั้นเอาไว้เนี่ยนะพระประเจกพุทธเจ้าก็อายุสั้นได้เหมือนกันเนี่ยนะด้วยกรรมบางอย่างที่มาตัดรอนทําให้ชีวิตนี่สั้นไปพระประเจกพุทธเจ้าทั้งหลายและหมู่มหาชนช่วยกันทําชาปนกิจ สรีระของท่านชาปณะเนี่ยแปล ว, ว่าเผานั่นเองนะเนผาสรีระของท่านเก็บธาตุสร้างพัสถูปไว้ใกล้ประตูพระนครทีนี้พูดถึงฝ่ายสังกพรามผู้เป็นพ่อนะผู้เป็นพ่อก็คิดว่าลูกของเราไปตั้งนานแล้วยังไม่รู้ข่าวคร า, าวของเขาเลยประสงค์จะพบบุตรจึงออกตะจากตักกศิลาเดินทางไปตามลำดับก็ถึงกรุงพารณสีเห็นหมู่มหาชนประชุมกันก็เลยคิดว่าหมู่ชนเป็นอันมาก สักคนหนึ่งคงจะรู้ข่าวคราวของลูกเราแน่แท้จึงเข้าไปที่ชุมชนเนี่ยนะกลุ่มชนก็ถามว่ามานพชื่อว่าสุสิมะมาในที่นี้มีไหมท่านรู้ข่าวคร า, าวของเขาบ้างหรือหนอชนเหล่านั้นก็กล่าวว่าเออพราหมณ์พวกเรารู้ท่านเรียนจบตรายเพศในสำนักพราหมณ์ในพระนครนี้แล้วบวชในสำนักของพระปเจกพุทธเจ้าเป็นพระปเจกพุทธเจ้า ปรินิพานด้วยอนุปาทิเสสานิพานธาตุแล้วนี้พระสถูปเขาสร้างเอาไว้สําหรับท่านสังฆพรามนั้นก็เอามือเนี่ยทุบแผ่นดินร่ําให้รําพันไปยังลานเจดีนะั่นลูกชายคนเดียวนะถอนหญ้าแล้วเนี่ยนะไปถอนหญ้าที่พระเจดีนะเอาผ้าห่มหอทรายนําไปเกลี่ยที่ลานเจดีพระประเจกับพระุทธเจ้าเอาน้ําในคนโทน้ําประพรมทําการบูชาด้วยดอกไม้ป่า เอาผ้าหม่มยกขึ้นทำเป็นธงผูกฉัดคือร่มของตนเอาไว้บนสถูปแล้วก็กลับไปพระผู้มีพระภาคเจ้าครั้นทรงแสดงเรื่องอดีตอย่างนี้แล้วเมื่อทรงต่อเชื่อมชาดกนั้นกับปัจจุบันจึงตรัสธรมมะแก่พิสูนทั้งหลายว่าดูกันพิสูนทั้งหลายพวกเธอจะพึงมีความคิดว่าคนอื่นเป็นสังคพรมสมัยนั้นแน่แท้แต่พวกเธอไม่พึงเห็นอย่างนี้สมัยนั้นเราเป็นสังขพรม เราถอนหญ้าที่ลานพระเจดีย์ของสุสิมะปะเจกับพุทธเจ้าด้วยผลของกรรมนั้นของเราชนทั้งหลายพึงทำทางแปดโยตให้ปราศจากตอและหนามทำพื้นที่ให้ราบเรียบสะอาดอานี่นะผลของการถอนหญ้าที่ลานพระเจดีย์นั่นแหะนะทำให้เขาททางให้ตั้ง8ดโยตเหมือนกัน เราเรียรายสายเอเราโรยสายที่ลานเจดีของพระสุสิมะปัจเจกพรพุทธเจ้าด้วยผลของกรรมนั้นชนทั้งหลายจึงโรยสายที่หนทางแปดโยต์เราทําการบูชาที่พระสถูปนั้นด้วยดอกไม้ป่าด้วยผลของกรรมของเรานั้นชนทั้งหลายจึงได้ทําเครื่องลาดดอกไม้ด้วยดอกไม้ป่านานาชนิดทั้งบนบกทั้งในน้าในหนทางเก้าโยต์ เราประพรมดินด้วยน้ำในคนโทน้ำที่พระสถูปนั้นด้วยผลของกรรมของเรานั้นฝนโบครพัดจึงตกลงที่กรุงเวสาลีเรายกธงแผ่นผ้าและผูกฉัดที่พระเจดีย์นั้นด้วยผลของกรรมนั้นชนทั้งหลายจึงยกธงแผ่นผ้าและฉัดใหญ่น้อยจนถึงพบอากนิดดูกวามพิสูจน์ทั้งหลายดังนั้น บูชาวิเศษนี้ไม่ใช่บังเกิดเพราะพุทธานุภาพของเราไม่ใช่เพราะอนุภาพของนาคเทวดาและพรหมดอกที่แท้บังเกิดเพราะอนุภาพของการบริจาคเล็กๆน้อยๆของเราต่างหากเนี่ยนะเสร็จแล้วพระค์ก็ได้ตรัสพระคถาว่ามัตตาสุขาบริจาคาปเสเจวิปุลังสุขังจะเชมัตตาสุขังธีโรสัมปัสสังวิปุลังสุขังแปลว่า ถ้าเห็นว่าจะได้รับความสุขอันไพยบู์เพราะสละความสุขพอประมาณนักปราชญ์พึงเสียสละความสุขพอประมาณเพื่อเห็นแก่ความสุขอันไพยบู์เห็นนะเพราะฉะนั้นคนทีน่เห็นประโยชน์อันกว้างใหญ่ก็พึงสละสุขเล็กๆ็น้อย้อยไปเนี่ยนะการสละสุขเล็กเล็กน้อยก็เพื่อความสุขอันไพยบู์เนี่ยนะอันนี้ก็เป็นข้อความในคุถกะตาถะใน หลักฐาชื่อว่าประมาทโชติกาอธิบายรัตนสูตร mm hmm. นะก็จบเพียงเท่านี้